นี่โกโนมเข้ามาภายในของตัวในตรงออกไปทางนอกอย่างพระพุทธเจ้าเห็นคนแก่โกโนมมาสอนตัวเราก็จะต้องแก่เห็นคนเจ็บเราก็จะต้องเจ็บเห็นคนตายเราก็จะต้องตายพระพุทธเจ้าขั้นนามาสอนตัวของท่านอย่างนะเห็นสมณะขันนั่งทำท่าเโาจานสมาบัติ ท่านคงจะได้ความสุขความสบายท่านองค์นี้ไม่ได้เกี่ยวต่องกับใครพิจารณาอัทําทแจ่มใสดีเด่นไม่มีการกังวลเรื่องอื่น ค, ความสุขคงจะมีอยู่ในจุดนี้เกิดเลื่อมใสเกิดอยากออกบวชก่อนที่จ ะ, จะเสด็จออกบวชเช่นอย่างนั้นแต่จริงว่าเทวทูตคือ ผ, ผู้บอกอย่างเทว ด, ดาบอกของจริง น้ำแจกน้ำเจ็บความตายมันของจริงไม่ใช่ของเล่นเดี๋ยวเราเห็นเป็นใครพรพุทธเจ้าวเห็นว่าเขาบอกแบบเทวดาถทำไมมีส่วนเหล่านี้ไครเราที่จะคิหนีจากโลกจากส่งสารใทยพระเจะตจอมยินดีเพลิดเพลิพนในพระจ่ า, าของตนหนักแน่นเข้าไปครับ น, นี่มันมีถึงจะเพลจะเพลิอนจะสนุกขนาดไหน คามแฉะกวไม่เคยไวหนักถึงเวลากว่าแฉะไปความเจ็บก็เหมือนกันจะรักษาอยู่ขนาดไหนก็ยังมีเจ็บมีไข้ไม่อย่างนั้นก็ไม่มีตายมันมียิงเหี่ยงว่าอริยสัจของจริงที่พระพุทธเจ้าตัดไม่มีโกหกพกลมใคยสมัยใดกว่าตามวิทยาศาสตร์จะก้าวหน้าขนาดไหนจะแก้ไขอริยสัจของพระพุทธเจ้าแก้ไขไม่ได้ยิ่งอย่างไร ขงเส้นขงวาอยู่อย่างนั้นใครจะฉลาดเสียบแล้มมาจากที่ไหนก็มาเถอะจะทําเครื่องบินหรือจะรั่วดาวเทียมอะไรขีไปเถอะขี่นี้ความตายจะไปโลกไหนโลกอาจารย์พระอังคารก็ไปเถอะก็จะต้องตายอยู่นั่นทุกเล่าติดตามไปไหมจะต้องติดตามไปอีกก็จะไปทิศใดทางใดทุกคนจะต้องติดตามไป อ่าจิตใจไหมแกกไขพิจารณาเห็นตามเป็นจริงแล้วคนนั่นจะทุกข์ตลอดไปในสิ่งที่เขาไม่สมหวังสมบาดธนาของเขานี่พระพุทธเจ้าถันเห็นเป็นจริงถันจริงว่าเป็นอริยสัจเดี๋ยวนี้ไปคิดได้ทางไใดตัวนี้ไม่ได้นอกจากจะพิจารณาเอาปัญญาแกกไขให้เห็นตามเป็นจริงแล้วปล่อยว่าตามสภาพของเขา มันเป็นอย่างไรเห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นไม่ยึดมั่นพัวพัน์ลุ่มหลงนรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสต่างๆวางได้ปลอยได้ันแบบว่าการอยู่ป่าอยู่สงบวิเวกเป็นที่เยียดเย็นเป็นที่สบายเป็นที่ของพโ ย, ยคาวิจรคือผู้ต่างหน้าต่างตาปรเพื่อปฏิบัติ เกิดจากข้ามพ้นไปจากวัตถุสงสารผู้ที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติอาชธรรมจะต้องแสวงหาที่สงบสงับปฏิบัติสะดวกไม่ใช่คนมุ่งปฏิบัติอาชธรรมสร้างอันนั้นก่ะ อ, อันนี้วิ่งเข้าสู่ตลาดลาดักทรัพย์วิ่งเข้าไปสู่โรงหนังโรงละครคนนั้นเป็นคนเติบพืชอาชปฏิบททัติธรรมพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญท่านไว้ว่าอย่างนั้น ท่านต์ตำแหน่งทุกทีทีโมงต่างๆท่านสละเสริญตามสงบส ง, บสงบัดสละเสื่อการอยู่โดดเดี่ยวแตเป็นทางที่จะที่จะนาแกกไขกายใจจิตใจฟองง่ายจนเดี่ยเป็นพระพุทธเจา้าเลยอะกว่ายังบัญยัดิเจนาสนะ ใครจากหมู่บ้านตางยีทุกห้าเส้นเป็นอย่างต่บเพราะอะไรเพราะเห็นว่ามันพอลบหลีกจากเรื่องต่างๆได้ง่ายถึงแม้จิตใจท่านไม่เกี่ยวข้องวันมมนี้ที่จะทอท่านอยู่แบบนั้นท่านสบายเหรือไม่สิ้นลายสิ้นตายให้ลายมันก็ยังอยู่ท่านเคยรู้เคยเห็นเคยีเคยเด่นด้วยเียในใด ท่านก็ตอองบอกเพื่อปฏิบัติอย่างนั้นพุทธมาพึ่งพาอาศัยเมื่อได้อยู่ในที่สงบสงัดปฏิบัติสะดวกมันก็ง่ายจิตใจจิตแจ็บชายกำหนักจริย์ต่างๆท่านเลยสอนให้เขาไปพุกกขีตีโมไปหลุมไปหลงในเรื่องต่างๆท่านสอนให้แกะไขเราทุกคนพิมาฝึกอบรมกายใจก พิจารณาธรรมะของพระพุทธเจ้าซักฟอกกายใจของตัวสิขั่วสิเสียต่างๆให้ตกออกไปความดีให้ส ง, งบส ง, งัดอย่างไรใสสว่างสงวัยให้แจ้ไขกดเรียงจิตใจของเราห่างจากกิเลสตัณหาอย่างไรหมันรักษาเอาไว้พิจารณาให้กล่าวหน้าเปลี่นไปผลที่สุดจิตใจที่เคยหลุ่มหลงง่เง่าเต่าตุอตนอาจะเป็นจิตใจที่สละดเสียบแหลมเข้าละวาง ปล่อยเรื่องความเย็ดคือต่างๆจนหมดจากดวงจิตที่เคยจิตค้อบธรรมาของพระพุทธเจา้าสอนไปถึงที่สุดจุดหมายอย่างนี้ดังนั้นเมื่อพวกท่านทั้งหลายได้สะดับรับฟังแล้วจงนำไปีิมพิจารณาุดตกายป่าจายใจของตนดังนั้นไปก็จะมีความสุขความเจริญในพระบวรพุทธศาสนา การปิบิรรม็คือว่าอควรที่ะอตธรรมเนแต่่องเที่ยวัง่นงกาสบายเลยกาหนสบายนั่งเลยในกองปนมืงานตั้งทา ธรรมะสูฟังขึ้นมาพวันนี้ถือว่าเป็นวันปีใหม่แล้วกอวันธรรมะสวันนะมาไปเวบ ก, กันัองั้งสองอย่างวันปีใหม่ประเทศไทยของเราโดยมากเราอยากจะอวยพรกันอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องพรีเขาอวยกันขอสอบติดใจ แต่ความจริงเป็นไปตามพรที่เขาให้มันก็ดีแต่นี้คงเป็นไปไม่ได้พร ท, ที่องคันที่พวกเราทวนควรจะจดจำเอาไว้ก็คือการทำตามดีตามดีนั่นแหละเป็นพรที่ดีเด่นใครทำลงไปการใดสมยดัยใดไม่ว่าปีใหม่ปีเก่า คนนั้นจะได้รับความสะดวกสบายคิดถึงเรื่องการกระทาการพูดการคิดของตัวในความดีลืมจิตเย็นใจในเห็นโทษเห็นภัยอะไรที่จะมาเกี่ยวข้องเพราะการสร้างความดีของตัวแล้วเลือกถึงแล้วสุ่มใจสบายใจนี่เป็นารสำคัญที่พวกเราท่าน คนจดจำเอาไว้ไม่ว่าปีใหม่ปีเก่าวันเสาร์วันอาทิตย์พูดถึงการสั่งคุนงามความดีทางท่าศ า, ศาสนาขัน้อว่าสุนัขตตังสุมาลพลังหมายความว่าการสั่งทมดีทำความดีในการใดเวลาใดวันใดปีใดเดือนใดกว่ตังเป็นมงคล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 ความอิม่มหนำสำราญจะเกิดขึ้นจากการทานอาหารเราไม่ทานปีเดือนวันเวลาจะดีเด่นขนาดไหนความอิม่มหนำสำราญในอาหารย่อมไม่มีนับวันนับเวลาที่จะหิวเข้าไปร่างกายก็นับบันอ่อนเสียมีการทําความชั่วการทำควรมเสียกับเมือนกันฉะนั้นพระพุทธเ จ, จ้าท่านจึงห้ามไม่ให้ทําใม่พูดไม่คิด ทางชั่ทางเสียต่างๆใครฝ่าฝืนฝืนทำจะเป็นการใดเวลาใดคนนั้นก็เป็นอปิมงคลเป็นโทษเป็นใครถึงเขาจะจับกลุ่มกลุมตัวไม่ได้ตัวเองก็คิดถึงเรื่องชั่วเรื่องเสียต่างๆเหนื่อร้อนแผบเผลอไม่ได้รับความเบาความสบายเพราะโทษตัวเองเห็นอยู่ที่เราไปทําไปพูดไปคิดจะทําดี คนอื่นจะไม่สันรเสริญเยินยอกว่าตามเป็นสิ่งที่ควรสร้างควรทําขึ้นคนอื่นเขาจะติถิ่นนินทาว่ากล่าวต่างๆกว่าช่างเขาแต่ใ จ, ใจของเราเบาสบายยิ่งการภาวนายิ่งเป็นการสําคัญสงควรทุกท่านจะประปฏิบัติอบรมฝึกหัดเพราะการภาวนาเป็นเสื่องรวมใจให้หยุดให้อยู่ให้นิ่ง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 ตัวของตัวนี่เป็นเหลืองธัรมธรรมะทิจเรนาจิตใจอย่าให้มันด่วไหลไปที่อื่นคิดขึ้นปัจจุบันถ้าหากไม่เป็นอัดเป็นทำก็พยายามปัดเต่าอารมณ์ส่วนนั้นให้ตกไปต่างใจเอาอาัดเอาทำมาที่นี้ทิจารนาสังสักก็จิตใจของตัว ที่ส่ อ, อ ง, มองหม้อุ่นมัวใ้สว่างสวยนี่เป็นการนั่งฟังธรรมะเพราะกายพวกเราไม่ได้ไปทำการงานอะไรราจายกเราก็ไม่ได้ต้องไปพูดอะไรตาหลับไม่จาเป็นจะลืมอะไรจะลืมไปดูอะไร <c oughs> เรล่าใบก็ได้ที่เจรนาใจกำหนดใจอยู่นั้นอย่า ก, กำหนดพุทธโธกับพุทธโธพุทธโธอยู่นั้นไม่เหตุเสือทำไปยังเสอ บริกรรมให้ขี่เขาหายใจของเราขาดจากความปรุงเรื่องอื่นจิตสัมผัสอยู่กับเรื่องพุโทโธอยู่นะผลสุดจิตใจอยู่กับพุโทธโธพุทโธเป็นจิตจิตเป็นพุโทโธ ร, รู้ความสุกความทุกข์ต่างๆวางอารมณ์สัญญาคาะความสว่างสวัยจะเกิดขึ้นความเบากายเบาใจจะเกิดขึ้นมีความสุขความสบาย แม่จะต้งวนวุุนวายกับเรื่องอื่นอื่นเวทานาที่เคยรบกวนปวดล้างปวดเอวปวดแข่งปวดขาก็หายไปหมดอยดกย็นสบายนีย่คือจิตรวมพามาเป็นหนึ่งมีกำลังขับไล่เรื่องสัญญาอารมณ์ต่า ง, างๆวางเวทานาหาดสัญญาความจำรู้เฉพาะเกี่ยวกับจิตรวม จีตรวมอย่างนั้นเน่เป็นจิตสุขจิตสบายควรี่ยังไม่เคยประสบพบเห็นยงจิตรวมเท่านั้นก็นจะเกิดอัศจรรย์ใหญ่อยากจะเห็นอยากจะเป็นอยากจะกระทํ่เรื่อยๆไปเพราะความปล่อยวางเรื่องสัญญาอารมณ์ต่างๆเราเห็นไปจักเกิดมาในชาบกีพบจีชาไม่เคยเห็นเคยเป็นวความสุขไปนิดนี้มันเป็นอย่างไร พอามาฝึกหัดดัดใจของตัวเห็นเต็มขึ้นตัวเชื่อเหลื่มใสตัวความสุขในด้านของการสึกใจเป็นความสุขดีเด่นอย่างนี้เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าพาริยสงฆ์ว่าท่านมีความสุขอย่างนี้ท่านจึงไม่เคยเปิดเผยตามเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะท่านเห็นความสุขของใจไปจาก ในตัวของท่านเชื่อมัน่นอยากผลิตปฏิบัติเพียงแต่จิตสงบสงัดลงรวมนิดหน่อยขนาดนี้อันนี้สูงก็ยังเห็นขนาดนี้ถ้าเราทำการจริงจังได้ทุกวั น, ท, วนทุกเวลาหรือละถอนเรื่องควา ม, มโลดความปวดความหลงออกไปจากใจเด็ดขาดจะมีความสุขความสบายขนาดไหนควมีความเชื่อความเลื่อมใสอยากจากะผลิตปฏิบัติ ถ้าเห็นถ้าเป็นถ้าไม่เห็นไม่เป็นอะไรเพียงฟังไปแล้วก็ไม่สนใจจะฝึกอบรมตัวในนาไปประพฤติปฏิบัติทดสอบให้เห็นตามความจริงจริงเจนอย่างนั้นจะฟังอยู่วันอย่างขำขึ้นอย่างรุ่งจะฟังตะกี่กันก็ไม่เชื่อไม่เลื่อมใสไม่ยินดีไม่พอใจจิตการกระทํา สักว่าแต่แต่ทำเท่านั้นเวลาทำก็จิตใจฟุ่มเฟุงไปที่อื่นเชียเวลาฟังก็เหมือนกันนันไม่เลยไห ล, หลเข้าไปในจิตในใจของตัวทำก็เหมือนกันกิริยาภายนอกทำได้ง่ายได้แต่ภายในดัดจากหน่อยเพราะมันอยู่ในต้องอาศัยแติปัญญาที่นี่พิจรารณาบังคับบัญชาจริงๆแต่ก็ไม่เหลือวิสัย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 หรือว่ายากลำบากกว่าไม่ยากเท่าการอบรมใจทองตัวให้หลุดออกไปจากโลกเพราะจิตมันเคยจิตคล่องหมากดองอยู่ในพบในชาติมานมานานกว่าจะฝึกอบรมมันได้ไม่ใช่ของง่ายเหมือนของดองต่างๆซึ่งดองมาเป็นเวลานานเราจะล้างให้มันสะอาดแต่เดียวๆไม่ได้ มันหมักดองมานานอย่างําป้อมกหมอดองมานานๆลดของเกลือของอะไรมันซึมซ่านเข้าไปถึงขั่วแล้วแต่เท่น้าเทียงภายนอกมันไม่ออกรดชาดของมันยังเค็มอยู่นั่นแต่ดองเค็มแต่ดองหวานกวรสหวานกว่าซึมซ่านเข้าไปถึงเม็ดภายในของมันโอเคจะ้ะยังเสียบนอกๆขนานั้นีน่จิตใจของพวกเราท่าน จะเคยหมักดองในเรื่องของกิเลสตัณหาเป็นระยะเวลานับคบนับขาดไม่ได้เราจะทำประเดียวเดียวให้หลุดออกไปหมดออกไปจึงเป็นข้องอยากแต่ก็ไม่เหลือวิสัยของผู้พยายามตั้งใจราพฤติปฏิบัติถ้าเหลือวิสัยพระพุทธเจ้าทำไม่ได้อริยาเจ้าถ่วไปทำไม่ได้จะเป็นผู้ทุจรคนหนาะเหมือนพวกเราถ่วไปธรรมะที่ท่านได้มา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 ไม่อยากขอช่อปฏิบัติเพราะ ค, ความห่วงความหวงโลกอันนี้ห่วงหวงมากม่ใ่ธรรมดาข้าหาดอำนาจของจิตไม่กล้าแข็งจริงจังตัดยากพบค่าแต่ถึงอย่างไรว่าพยายามจะไขดัดแปลงไปจะไม่ดีเด็น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 จริงจังเรื่องของราชาตันหาอาวิชาวปาทานต่างๆจนเคยเป็นเจ้าเป็นนายบังคับบัญชาให้เราคิดอ่านฝุ่งฟูหนัดกินดีอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้กำจัดมันไปพิจารณาให้มันทั่วในอย่างนั้นปล่อยวางไม่ได้พิจารณาทั่วถึงแล้วมันวางมันเอง พิจารณาถวดถึงพิจารณาอาจรำนะหรือพิจารณาเรื่องโลกไม่มีเวลาที่จะจบหมุนกันไปอย่างปีใหม่ปีเก่าเพราะเรื่องของโลกเป็นวัฏฏตวนมันวนอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยวนไปวนมาอารมณ์กิเลสตัณหาเลกล่าวว่ามันได้มาจากที่ไหนของเก่าบางทีเบือ่อบางที ยินดีมันเป็นอยู่อย่างนี้เรื่องจิตใ จ, จกับปอกๆ้อนเราก็ไม่จับจิตมันสักทีคือว่ามันดีมันเด่นอยู่อย่างนั้นดูที่ท่านเชื่อมันม่นในอาจทำเห็นอะไรในดีมีพิรุธการจับทีนี้ที่จะรายนาเมื่อมันเกิดขึ้นในเรื่องเก่าจะให้เกิดความดีอกดีใจชอบใจในส่วนนั้น ก่อนแล้วเลื่อนถึงไทยที่เราเคยเห็นที่รูปมันมาที่เจริญนาเพื่อปรับปรุงจิตใจในใเชื่อ ใ, ให้ยึดในส่วนนั้นการที่เจริญนาเรื่องของจิตของใจมีหลายในที่พวกเราจะพิจรารณาความโกรธความโลภความหลงหาที่จริญนาแล้วมันก็โทษในใ่ของหยีของดีแต่เราก็ยินดีนะละพอใจพอใจอย่างไร ทําทโกรธเกิดขึ้นตาดำตาแดงก็ยังพอใจโกรธอยู่ทั้งๆ ท, ที่มันเผาเราจนคนอื่นดูไม่ได้น่ะเป็นยักษ์เป็นมารไปคนสวยสดงดงามถ้าโกรธขึ้นแล้วดูไม่ได้ปากก็มนพูดออกมาำํำใดรู้สึกว่าน่ะแปขยะแขยงเพ า, า, า, า, า, า, า, า, าำพูดออกจากความโกรธเป็นอย่างนั้น เราเห็นคนอื่นโกรธก็ไม่น่าดูเราเองยังจะชอบยังจะยินดีอยู่หรือสอนตัวเองอย่างนั้นอย่าให้มันโกรธขึ้นข่มเอาไว้ควาโกรธจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะถือว่าเขามาเบียดเบียนเราเขามาขม่มรูเราเข้ามาด่าเราอย่างนั้นอย่างนี้ไปคิดแต่เรื่องไม่ดีแล้วก็โกรธขึ้น เขาทำให้ถูกอกถูกใจทางที่จะแจกใความโกรธใครเห็น โ, โกรธแต่โกรดนี้ไม่เป็นข้องดีิข้องดีอะไรนี่จะนำใครมาแฉกเขาตัวเองแล้วคนอื่นเขาก็ไม่ชอบเขาตัวเองแหละก่อนซึ่งไปเขาคนอื่นเมื่อพี่จเจนะรายเรื่องความโกรธที่มันเกิดขึ้นตัวเองก็ไม่มีความสุข คนอื่นเห็นก็คอยทุกไปตามกันฉะนั้นเราไม่ควรจะไปโกรกต่ระลึกนึกสอนตัวอยู่เสมอไปอย่าไประลึกถึงความชั่วของเขาเพราะคนทุกคนชั่วมีดีกว่ามีนะจ๊ะ ช, ชั่วอย่างเดียวความดีของเขาก็มีอยู่ไประลึกถึงความดีของเขาเป็นเครื่องแกไ้ไขหรือดเขาไม่มีความดีกวคิดสงสารเมตตาแบบที ยังไม่รู้ยังสาอะไรอาภัยให้คมทำโกดโกดอุบายปัญญาต่างๆทำโกดตปล่อยหดตัวหรือหายตัวไปนี่เวลามันเกิดขึ้นมันไม่ได้เลืดลึกนึกถึงอาจทำอะไรที่จะมาสอนใจทองตัวํำโรกก็เหมือนกันอยากได้มีขีดมีขั้นไปกันใหญ่พระพุทธเจ้าจึงสอนว่าเป็น รา่างเาของอกุศลมูลนะความโลภความโกรธความหลงมีอยู่แล้วบาปอากุศลต่างๆความชั่วต่างๆจะเกิดขึ้นพอเป็นฐานของความชั่วถ้าเราทําลายฐานความชั่วให้หมดไปใจของเราจะได้รับความสุขความสบายธรรมะของผู้ใช้จ่ายเลยสอนออกไปนอก สอนเข้ามาภายในคนทุกคนมีธรรมะประจํากายประจําใจทางนั้นใจไม่ได้นําธรรมะมาช้าเอาตั้งใจเรื่องกิเลสตัณหามาช้าเศษ น, นั้นธรรมะจึงไม่มีในบุคคลฝู่นั้นความจริงมันมีอยู่แต่เขาไม่รู้จักใช้ก็เลยเป็นคนไม่มีธรรมะพระนพุทธเจ้าได้ธรรมะก็ได้จากกายจากใจของพระ อ, องค์ อรียสงฆทั่วไปก็เหมือนกันฉะนั้นเราทุกท่านมีกายมีใจก็ะจะไข่ทิชช่ีพิจารณาแจกไขความสั่วช้าลามกให้ตกออกไปบำเพ็ญความดีให้จิตใจฝ่องใสให้จิตใจเยือกเยน็นให้จิตใจเป็นธรรมในต้องฟุ้งฟุ่งไปเรื่องขังหนอะบอกสอนตัวอยู่สม่ำเสมอชีวิต่องเราทุกคน ในถึงร้อยปีหรือพันปีเยอะมากกว่าตายไปอะไรที่เรารุ่มหลงวุ้นวายต่างๆเราจะต้องจากมันไปเพราะร่างกายของเราเราก็จะจากไปอยู่ส่วนท้ายนอกออกไปจากกายมันก็จะต้องถ้าถ้าจากมันไปอีกเหมือนกันควรจะสร้างความดีเอาไว้ซึ่งเป็นเพื่อนของเราที่จะติดตามไป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 ข้อมูลบริบูรณ์ใช้ก็ต้องการอย่างนั้นแต่ที่เป็นไปไม่ได้ก็เพราะอาศัยกรรมของตนกรรมคือการกระทาทางดีทางชั่วต่างๆเหมือนคุณติดในจิตในใจไปทุกพบทุกชาติคนที่ไม่มีกรรมดีในจิตในใจจึงปรารถนาะอยากจะไปเกิดสถานที่ดีมีความสุข ต่างๆก็มเหมสมปลาคนาให้เหมือนกันกับคนที่ไม่มีเงินทองติดตัวไปอยากจะไปพักอาศัยโรงแรมหรือไปอาศัยที่ดีๆอาหารดีๆก็ไม่มีอะไรให้เขาที่เราจะได้พักอาศัยได้บริโภคอยู่จินต่างๆก็าตามทุนนะครับของเราที่พวกพอที่จะซื้อได้เขาคของดี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 พเรามีเียงพอบริบูรณ์ทุนทรัพย์คืออะไรคือกรรมดีทางศาสนาีย่วงบาบุญกุศลควรอบรมสะสมเอาไว้แต่เจียงพอบรอิบูรณ์ภายในใจของตัวอย่างไรเราก็จะต้องตายแน่ๆสมบัติทัศนานในโลกเราจะต้องปล่อยปะละทิ้งกันหมดเพราะคนเกิดมาเราเคยเห็นหนุห่มๆหนุ่ยตาของเราอย่างชัดเจนเราไม่มีใครนำอะไรติดตัวมากิเหตุใด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 พออำนาจบุญวัฒาสนาเก่าก่อนไม่สนับสนุนให้จะทำอะไรก็ไม่สมเหมาะจะทำอะไรก็ไม่เป็นไปเรียนหนังสือหรือก็จำไม่ได้ข้าขายหรือก็ไม่ถูกจังหวะทำนาหรือก็ถูกแห่งแล้วได้อะไรมาไม่จบจังหวะไม่ดไม่ดีทั้ทงนั้นนี่คือคนไร้วัฒาสนาคนไม่มีบุญกุศลมาจตกเก่าก่อน เจะได้สานีภรรยาอยู่กับบิดามารดาของเขาเป็นคนหวานอนซ้อนง่ายดีๆทุกสิ่งทุกอย่างแต่พอมาตกเป็นของของเราเขา้าแต่เป็นผู้ชายไม่เคยกินเหล่ากินเหล่าไม่เคยเล่นการทนั น, นก็อเล่นการทนั น, นอะไรทุกอย่างไม่ดีทั้งนั้นฐานทรัพย์แตจะหามาไหนนี่ คนที่ตกเลยเป็นคนอดยอยากยางจนไปได้ภรรยาก็เหมือนกันคนที่มีมวาสนาถึงจะหาคนดีคนดีขนาดไหนมาตกเป็นสมบัติของเขาคนนั้นจะเกิดเป็นของอปรีไม่ดีไม่งามขึ้นนี่คือคนไม่มีวาสนาได้อะไรมามันเสื่อมมันเสียไปอย่างนั้นดังนั้นเราต้องสร้างจิตใจของเราใหด้ดีให้ดี คือสร้างวาสนาบารมีคุณงามความดีเอาไว้ใ่ใจของเราในฝ่นชาอาศัยถึงจะไม่หมดครบชาติยังไม่หลุดพ้นไปถึงพณนิพานเมือ่อใดเราจะต้องอาศัยบุญกรรมที่เราทำเอาไว้จะไปเกิดสถานที่ใดจะไปเกิดในปา่าในดงกอาตามหากเป็นคนที่มีบุญหนักตักใหญ่จะเกิดในสถานที่ใดจะรุ่งโรดิบดีขึ้น ด้อำนาจบุญกุศลของชนศี่สะสมเอาไว้จะเนื้อคนในสถานที่ น, นั้นๆเนื้อพ่อเนื้อแม่เรียกว่าอภิชาตบุตรคือบุตรยิ่งกว่ายิดามานดาผู้ถึงสติปัญญาวิชาความรู้อะไรต่ออะไรดีเด่นทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอำนาจบาทสนาอำนาจบาทาสนาเป็นของ แข่งกันไม่ได้ส่วนอื่นพอแข่งกันได้เราไม่มองเห็นว่าเขาในสางสมอบรมมาอย่างไรคนมันลายในเสือมันลายนอกก็จะรู้จักปะเสื้อโค้งเสื้อเหลืองเสื้อดาวเพราะลายมันบอกแต่คนไม่เป็นอย่างนั้นมันลายอยู่ในที่เจรนาดูอย่าง เราจรึงควรสั่งลายของเราให้มันดีคือสะสมคุณงามความดีเอาไว้ลายของเราก็ทาดีตามศี่ธรรมิที่ททพระพุทธเจ้าแนะนำํำบอกสอนละชั่วไปส่วนใดที่เห็นมาชั่วพยายามละปล่อยวางเชื่อพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าเชื่อดีดามานดายิ่งกว่าเชื่อกิเลสตัณหาของตัว ยิง จ, จะได้ชื่อว่าเป็นพุท ธ, ธบริษัทยอมปฏิบัติตามคำแนะนำคำสอนของท่านเมื่อเราพยายามปรับปรุงตัวของเราอย่างนั้นถึงเราจะยังไม่หมดกิเลสตัณหาเยี่ยนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารก็ด้วยอำนาจผลคุณงามความดีที่สะสมเอาไว้ถึงเขาจะทุกข์ยากลำบาก <c oughs> อย่างไร แต่คนที่นีอำนาจบากนาะมีบุญยาที่สมผ่านไปสถานที่ใดจะไม่อดอยากอยากจนไปสถานที่ใดมีความสุขกายสุขใจไห้อันตรายไม่มีนี่คือคุณความดีจีสะสมเอาไว้เราอย่าประมาทเกิดมาเป็นมนุษย์อุตส่าห์พยายามสร้างคุณงามความดีให้เพียงพอบริบูรณ์แต่ยังไม่พ้นไปจากโลกเมื่อไรยังเรียนไหวใจเกิดก็จะได้อาศัย เมื่อหลุดพ้นเมื่ อ, อไรแล้วนั่นแหละเป็นปัญหาแต่ยังระยะยังไม่ถึงที่ยังไหมคนจากกีเลพยายามสร้างความดีไปความดี น, นั้นนั้นจะส่งผลให้ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเขาพอคุณงามความดีหรือทําชั่วก็เหมือนกันเชื่อไม่เชื่ออํานาท้องกรรมที่ทําจะนําพา ในสถานที่ดีที่ชั่วต่างๆเหมือนกันกับคนที่ไม่เชื่อว่าตารางมีคุบมีคำกรรมชั่วเยียหายต่างๆไม่เป็นอะไรเขาจะยสีให้เขาจับเถอะมันก็พ้นไปไม่ได้เดี๋ยวเขาก็จับได้ตารางมีหรือไม่มีเขาจะไปเห็นหน่วยตัวของเขาเองนั่นคือกรรมชั่วของเขาคนอื่นๆ จะไปเข้าต้อ ง, งขออนุญาตนี่เขาไม่ได้ขออนุญาตทางชั่วไปไอะไรง่ายไม่อยากไปเขาก็หลากคอไปนี่กรรมชั่วที่ให้ไปเกิดที่ชั่วกว็เหมือนกันถ้าสร้างกรรมชั่วเอาไว้จะต้องไปอย่างนั้นกรรมดีสวรรค์เป็นอย่างไรนิพพานเป็นอย่างไรเราไม่เชื่อกว่าตาถ้าเราทําลงไปเดี๋ยความดีแล้วกรรมดีจะนําพาสถานที่ใดเป็นอย่างไรที่ดีนั่นแหละเราจะได้ไปเกิด เราจะได้ไปอยู่เพราะความดีพวกเรามีพระพุทธเจ้าให้เชื่อเรื่องข้องกรรมเพราะศาสานาพุทธสอนให้เชื่อกรรมคือการกระทำแต่ทำดีแล้วตัวเองก็เบาใจสบายใจคนอื่นเห็นที่มีอาจมีทำพวกชมเชยสรรเสริญไปสถานที่ใดพูดถึงคนดีก็มีพรรคพวกดีเป็นเสื่อนฝูง คนชั่วกว่า ม, มีพรมีักพวกคิดชั่วเป็นเสื่อนสูงสักจูไอ้ทาชั่วเรื่อยไปดังนั้นเรื่องการครบค่าสมาคมจึงเป็นของสําคัญอันหนึ่งท่านว่าเสวนาจะพาลานางปัญทิตา น, นางแจเสวนาที่ท่านสรวจกันไปแต่การครบค่าสมาคมคนนอกก็เป็นทางให้ดีให้ชั่วได้แต่ข้อสาคัญคบภายในคือคบกับอารมณ์ของใจถ้าหาก เราเลือกครบอารมณ์ที่ดีก็ได้ชื่อว่าครบบัณฑิตภายในถ้าหากเราครบอารมณ์ที่ชั่วที่เกิดขึ้นจากตัวของตัวเกิดขึ้นจากใจของตัวก็ได้ชื่อว่าครบคนพานภ า, ายในคนพานภายในหรือบัณฑิตภายในเป็นของสําคัญที่เราควรเลือกคัาจับสันครบค่าสมาคมเพราะยัง คนทานภายนอกหรือบัณฑิตภายนอกหากเราครบแล้วเราไม่ไทำตามเรื่อนของเขาความชั่วหรือความดีจะไม่มีในตัวของเราแต่ครบคนทานภายในอารมณ์ภายในครบบัณฑิตภายในถึงอย่างไรเราก็จะต้องชั่วต้องเสียน่เนี่ยต้องดีเนี่ยหากครบดับ้จึงให้เลือกที่นี้พิ่เจริญนาอารมณ์สัญญามาในสอนใจของตัว อะไรที่ชั่วที่เสียเมื่อทําหรือพูดไปแล้วเกิดความเดือดร้อนภายหลังระลึลกนึกถึงตำแหน่งติตัวว่าไม่ควรจะพูดจะทําอย่างนั้นนี่คือเรื่องชั่วอะไรที่เราทําลงไปโดยความมโนทิตในจิตในใจทําลงไปโดยความหวังดีจริงๆังอันนั้นเราระลึกขึ้นเมื่อใดจิตใจเบิดบานแจ่มใสจิตใจเยือกเย็นในตำแหน่งตัว นี่เขาเรียกว่าความดีรเรียกว่าธรรมเรียกว่าบัณฑิตควรคิดควรปรุงควรกำหนดที่นี่พิจารนาระวังรักษาอย่าไปพบทานให้พบบัณฑิตจิตใจของเราจะมีความเบิกบานหันษาเพราะการพบบัณฑิตภายในเป็นของที่ดีเลิศประเสริฐสุด ทุกคนก็มีอารมณ์ชั่วอารมณ์ดีก็จะเลือกคัดจัดหาพิจารณารักษาความดีเอาไว้ปัดเป่าความชั่วออกไปเมื่อต่างท่านต่างคนที่นี้พิจารณาหาธรรมะสอนกายวายใจยใจของตัวอยู่เสมอคนนั้นแหละจะเป็นผู้ดีวิเศษขึ้นได้หากมองข้ามว่าธรรมะเป็นของพระ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 แล้วแต่คนใดที่จะค้นหาทิจเรนามาสอนตัวคนใดประพฤติชั่วจะอยู่คารวะหรือเป็นทิสุตามะเนก็เป็นคนชั่วไม่ใช่แบบข่างเหลืองๆที่สารล้นจะห้ามกันความชั่วด้ความชั่วความเสียไม่ว่าอยู่วัดอยู่บ้านเป็นบันเชิตหรือ <c oughs> เป็นกระเรื่อหัดทำลงไปเป็นทางเสียทางนั้นไม่ใช่ทางดี ส่วนทางดีจะเป็นคาเรหัดจะเป็นมันพชิตทำก่อนแต่ชื่อว่าดีท้งนั้นแต่นั้นเรื่องความดีความชั่วเรามีสิทธิ์เต็มตัวของเราที่จะเลื่องคัดจัดห า, าและสอนก า, ายวาจาใจของตัวแต่ทาแต่คุณความดีเรื่อยไปความสุขของใจหรือปีใหม่ชาติใหม่ ด้วยอำนาจความดีพวกเราก็จะดีเด่นชาตินี้เราขนาดนี้ชาติหน้าหากอํานาจศาสนาบุญบารมีเสรแล้วสั่งความดีเอาไว้แต่เกิดชาติใหม่จะดีเด่นยิ่งกว่าชาติปัจจุบันเพราะ อ, อํานาจคุณความดีมีอยู่แล้วเป็นตนทุนหนุนให้จะเรียนอะไรก็จาง่ายทําอะไรเหมาะ ดีมีคนสลรเสริญเพราะความดีเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านเคยสัางมาชากของท่านจึงค่อยดีเด่นไมีเลื่อยขึ้นไปจนผลที่สุดได้เป็นพระพุทธเจ้าด้วยอานาจความดีไม่ใช่ด้วยอํานาจของชั่วเราทุกคนให้พยายามสอนตัวและละชั่วบําเพ็ญดีก็จะมีความสุขสันแกเรญ การอธิบายธรรมะวันนี้ถ่าจะอธิบายไปมากก็เห็นว่าผู้ฟังจะเหน็ดเหนื่อยไปยิ่งขอยกที่ธรรมะอย่างเชีน